ตอนนี้ตอนนี้แช่แล้วค่ะตอนรู้วนหลับไปแล้วควรู้ว่าอรู้ <c oughs> วันหลับจับมาแล้วตอนนี้แช่แล้วค่ ะ, ะ <c oughs> เนเดี๋ยวเด๋เดรู้ว่าแช่ทไมม่มันมันดับมันรู้แล้วมันก็แช่ลงไปอีกอืมไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ไม่ถูกเดี๋ยวแก้เดี๋ยวก็ติดตายลยแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวยังกลับไม่ได้ วิธีแก้มาตรฐานเลยอ่ะวิธีแก้มาตรฐานเลยอ่ะเราจะพ้นทุกข์ด้วยนะคือเราไม่นคนบอกเองว่ามันมีอาการแช่ใช่ไหมค่ะอาการเนี่ยมันรู้ตัวมันเองไหมว่าแช่ไม่รู้ใครเป็นคนรู้ว่าอาการเราเราแช่ก็หนิดใครเป็นคนรู้ล่ะคนอื่นรู้ไหมว่าเราแช่ไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นคนรู้เรารู้เออเราเป็นคนรู้ว่าเราแช่ อย่าไปดูที่อาการแชร่และอย่าไปแก้ไขอาการแชร่มีตัวเราอีกแล้วเอ อ, อให้ดูที่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะให้ดูตัวตัวเราอะที่ไปรู้อาการแชร่ให้ดูตัวเราที่ไปรู้อาการแชร่เพราะว่าถ้าตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรไมันจะต้องพูดต้องบน่นต้องคิดต้องนึกต้องตึกต้องตองต้องวิพากษ์วิจารวิโรแชกแล้วเราแย่เราไม่เห็นอะไรเลยโอ้ตอนนี้เราแย่แล้วเว้ย แต่ขื่นอะไรเงี้ยมันจะจมหนักอีกเราขื่นไปไปดูไปรู้มันจะยิ่งจมอีกมันจะพูดมันจะพากมันจะกลัวมันจะวิตกกังวลเนี่ยให้เห็นในตรงเนี้ยรู้ตรงเนี้ยแล้วก็สักตะวันรู้ไอ้ตัวเนี้ย่งไอ้ตัวเนี้ยไอ้ไอ้ตัวที่มันพากันพูดมันบ่นเนี่ยแล้วสักตะวะรู้เพราะว่าไอ้ตัวที่มันพากมันพูดมนบ่นเนี่ยเป็นธรรมารลมแล้วก็สักตะวะรู้สักตะวะรู้ไอ้ธรรมารมเนี่ยมันก็จะผลจักทุกข์แสดงว่าพลอยดูผิดพลอยไปดูอาการของติดใช่ไหมคะเออไปดูแต่อาการแช่ดูแต่เวทนาแล้วพยายามดิ <c oughs> จัดการปรับแต่งแก้ไขตะเวทนา ม, มันเป็นความเคยชินเก่าครับเพราะเขเจ้างมาทาผิดแบบเนี้ยเราเพราะว่าเราเจอพอยตั้งแต่แรกก็ทําแบบนี้หลายปีมาแล้วเนี่ยกี่ปีมาแล้วครั้งแรกเลยก็เป็นแบบนี้ที่เราพูดอ่ะเราพูดคําแรกว่ า, อ, อ, า อ, อะไรที่เจอปอยแล้วบอกอะไรจิตพอยเหมือนอะไรเหมือนพระอาทิตย์ตกน้ําใช่ไหมค่ะพระอาทิตย์จมน้ํา <c oughs> เห็นมหมเราบอกแล้วเด <c oughs> ้อกี่ปีตอนนั้นพูดมากี่ปีแล้วสิบ สิ <10 S 2> ปีสิบ <10 S 2> ปีสิบ <10 S 2> ปีปแล้วยังปฏิบัติแก้ทางอย่างเก่าเใช่ไหมหลายคนเนี่ยแก้ทางเดินแบบเก่าแก้อย่างเก่าไม่ยอมแก้อย่างใหม่ที่เราสอนคือดิ้นรนผักใสแต่อาการแชร่มันก็แย่ลงไปเรื่อยแต่แบบเนี้ย mm. บอกให้ถามผู้รู้ว่าใครเป็นคนรู้อาการแชร่อาการแชร่เนี่ยมันไม่รู้ตัวมันเองหลักคนในที่นี้ไม่มีใครรู้เลยว่าเราแช่ใครเป็นคนรู้ว่าเราแช่ก็ตัวเราเป็นคนรู้ว่าเราแช่ ไอตัวเราเนี่ยรู้ไอตัวเราดูตรงไอ้ตัวเราที่มันรู้เนี่ยมันจะพูดมันจะบ่นมันจะวิพากวิจารวิโกมันจะดิ้นหลนผักไสมันจะกังวลนี่เดี๋ยวถ้าไปรู้เข่ามันจะยิ่งแช่ดูกบใหญ่เลยมันมันเป็นอย่างนี้โอ้ยมันอย่างนี้ต่อต้องหาวทามไปทําอะไรไปแก้ไขไปปรับแต่งไปอะไรมันก็พาก็พูดมันก็บ่นพยักปึอึกอัึอดูไอตัวนี้มเป็นธรรมล่มงั้นแสดงก่อนว่าก่อนนั่นเงี้นิดหนึ่งอะค่ะตอนที่ยังไม่แช่ที่เหมือนเห็นเห็นอะไรแบบเหมือน ยุบยิบจริงๆคืออันนั้นคือไม่ใช่เห็นใช่ไหมคะคือต้องมาดูไอ้ตัวที่เห็นนี้อีกทีใช่ไหมคะช่วงสักก่อนหน้านี้เออข้างไหนเนี่ยมันมีอาการอะไรก็ตามกุ้กุ๊กก้งกิ๊กแกดูตรงยุ้งกิ๊กกุ้งกิ๊กก็เห็นว่ามันเป็นธรรมลมแล้วก็เป็นก็สัตว์ารู้สัตวารู้ธรรมลมนั่นแหละคืออาการที่มันยุ้งกิ๊กกุ้งกิ๊กกูในใจ่สัตวารูอันนั้นแหะแล้วหูก็เลยพลิกจากไม่รู้ตรงนั้นเราไปรู้อะไรเลยแช่เลยเหตุท่ารู้อาการกุ้กิ๊กกุ้งกอยู่็ตลอดเวลาไม่่ชรออ๋ะ <Jub ik> แล้วอยู่ๆเนี่ยเราก็เลือกรู้อาการทุกยิกๆเราไปดูอะไรอ่ะมันมันมันลงไปเองนะค่ะมันมันเหมือนโดนดูดพุ่ลงไปเองค่ะมันดูดแล้วก็ไอ้ใครว่ารู้ว่าเราโดนดูดอ่ะใครควรู้ว่าเราโดนดูดคือตอนที่โดนตอนที่โดนดูดอะค่ะจะไม่รู้สักโดนดูดไปสักพักหนึ่งอะค่ะมันถึงจะแบบรู้ขึ้นมาว่าเอ้ยเนี่ยโดนดูดอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้อะไรอย่างเง้ยเอ้ยไอ้นี่เราโดนดูดแล้วเราโดนดูดแล้ว ให้รู้ตรงที่เนี่ยไอ้ธรรมาลมเนี่ ย, เ, ยเราโดนดูดแล้วเนี่ยคือแต่เราไปยุ่งแต่อากาศที่โดนดูดแต่เราไม่รู้ไอ้ตัวเราที่ไปรู้โดนดูดพูดเฮ้ยเราโดนดูดแล้วตอนนี้เราดูดล้วเราจะแย่แล้วเราจะแย่เราเราโดนดูดแล้วเนี่ยออสแสดงว่าไอต้ตอนที่รู้ว่าโดนดูดเน่ยคือจริงๆต้องรู้ตัวนั้นใช่ไหมคะรู้ไอ้ตัวที่พูดที่ภาพที่บนเนี่ยที่ไปรู้อะไรแล้วรู้ว่าโดนดูดพุ๊บไปไอ้ตัวเราอ่ะอย่าไปรู้ไอ้ตัวไปสนใจตัวโดนดูดสนใจได้ตัวเราที่ไปรู้มันมันกลัวมันกังวลเฮ้ยโดนดูดแล้วเราโดนดูดแล้วเราโดนด แล้วแต่ตอนที่รู้ที่มันยุกยุบยบยบอันนั้นคืออันนั้นคือรู้ถูกอันนั้นคือไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่มีรู้ถูกเราผิดเราแปลแต่ทุกขณะปัจจุบันมันได้แต่รู้ทุกทุกขณะปัจจุบันได้แต่แค่รู้เรื่อยไปทุกขณะปัจจุบันอาการจุกจิกจุกจิกเนี่ยเราก็แค่แค่รู้มันสอบแต่ว่ารู้ทุกอาการจุกจิกจิกทุกขณะปัจจุบันแต่เนี่ยเราไปรู้ไปรู้พอมันดนดูดไปเราไปยุ่งวุ่นวายแต่กังวลแต่อาการที่ตดนดูดเข้าไปเราไม่มามาดูไอ้ไอ้ไอ้ที่ตัวเราเป็น มันมีขอม้อพิจารณ์วิจัยมันพูดมันมิตกกวนแล้วก็แคร่รู้แค่รู้แค่ร the um um um> ู้ไอ uh> ้ที่ตัวเราน่ยแค่รู้ไอ้ตรงตมพูรู้แน่แน่ไอ้จิตวิญญาณขันเนี่ยที่มันทํางานร่วมกับเจตสิกก็มาแค่รู้แค่รู้เนี่ยไอ้พูรู้เนี่ยมันมันไม่ไอ้พูรู้เนี่ยมันไม่ได้ปรากฏอาการที่มันเป็นเป็นคิดนะมันได้แต่รู้มันไปไปกดตัวตัวของผู้รู้หรอมันไปกฏแต่อาการของทำอารมณ์ที่ถูกรู้นี่คือไอ้ตอนที่แช่นี่คือมันเป็นอาการของมันเป็นอเวทนา จะไปดูตัวเวทน า, าค่ะโอเคเข้าใจแล้วค่ะเออเข้าใจแล้วก็แต่ไปเอาไอ้ไอ้ไอตัวความเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็เข้าใจจริงๆก็แหละแต่เข้าใจเข้าใจแล้วก็ดีใจก็หลงอีกอ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปเข้าใจดีใจแล้วห้ามนะคือไปเอาไอ้ตัวเราเป็นตัวเข้าใจดีใจแต่ไอ้ตัวเนี้ยความเข้าใจอะตัวความรู้สึกว่าเราเข้าใจเราดีใจอันนี้เป็นธรรมอารมณ์คือคือพอยจะบอกว่ามันยากตรงที่เหมือนกับว่า ตัวธรรมารมันเหมือนมันเปลี่ยนหน้าตาคือพอพอเราพอเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยมันหลอกเราแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตาพอมีตัวเราไปรู้ใหม่เนี่ยเหมือนพอยจะไม่ทันค่ะไปไล่รู้อย่างนั้นไม่ทันเพราะว่าธรรมารมมันเกิดเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยมันเกิดดับเป็นไม่รู้กี่ล้านอ่ะขนาจิตเราไล่ไม่ทันนะคือมันไม่ปรากฏผู้รู้แต่ไม่ไอที่ถูกรู้เนี่ยไม่ว่ามันจะเปลี่ยนหน้าชนยังไงแต่ไอมันไม่ปรากฏผู้รู้มันเลยรู้หมดเลย อืใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะไอ้ผู้รู้มันปรากฏถ้าเอาไอ้ผู้รู้ปรากฏเป็นตัวเราผู้รู้ไปไล่รู้นะไม่ทันหรอกเพราะว่าโอ้โหมันเกิดดับเร็วมากขนาดเสี้ยวในทีเดียวเนี่ยทำมันลงมันเกิดดับเลยความคิดเนี่ยมันเกิดดับเป็นแสนใขนาดจิต่จิตวิญญาณทั้งขันที่ไปรู้แล้วส่งต่อเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเนี่ยส่งต่อตัวต่ อ, ต, อ, ต, อ, ต, อต่อไปเนี่ยมันเกิดดับเร็วมากเป็นเสี้ยวในทีเป็นละล้านขนาดจิตเรารู้มันไม่ทันหรอกไล่รู้ไม่ทันมันเป็นแต่ว่าเพราะมันได้ปรากฏตัวตนของผู้รู้ แต่มันเกิดอะไรล่ะมันเป็นบรรลุมันก็เกิดดับอยู่ในประตูใจประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูริมประตูใจมันก็เกิดดับอยู่ในใจของเราที่เป็นผู้รู้นี่แน่มันก็เลยรู้ว่าเนี่ยมันมีการยุ่งยิกยุ่งยิกอยู่ในใจแต่ใจไม่ปรากฏตัวตนอะไรไม่ปรากฏอะไรเลยมันไม่ไปเกิดดับที่ไหนเราเฝ้าอยู่ที่เนี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจอมันก็เลยใจมันเนี่ยไม่ปรากฏตัวตนได้กดรูล่าง แต่กิริยาการดุจิบมันดุกยิกอยู่ในใจแต่ใจเนี่ยมันไม่ไม่ปรากฏอะไรได้แต่รู้ว่ามันมีอาการดุจุจยิบๆุุจยทุกรดับปัจจุบันไม่ต้องไปไล่ไล่รู้มันบอกว่าขอให้มันเนีสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจไปวางที่ใจมันก็เลยปรากฏว่ามีอาการจุจยิบอยู่ในใจแต่ไม่ปรากฏตัวใจไม่ปรากฏตัวผู้รู้ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ปรากฏแต่อาการที่ถูกรู้อาการที่ถูกรู้เนี่ยมันไม่ได้ปเกิดดับที่ไหนหรอกมันก็เกิดดับอยู่ในใจนั่นแหละแต่ใจเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกก็มู่่อยนนนแตััเิดดบใใจะ ท่านเปรียบว่าใจเนี่ยเปรียบเหมือนมดลูกหรือคันมดลูกคันคันหรือมดลูกของผู้หญิงไออาการของใจเนี่ยที่มันมันจุกจิกจุกกุกจกุกมันเด็กที่มาเกิดในคันแล้วก็เราไปเด็กมาเกิดในคันแล้วก็อดอไปเด็กมาเกิดในคันแล้วก็อดอไปเด็กเนี่ยมันมาเกิดที่ไหนก็มาเกิดในคันนั่นแหละแตนั้นแหละอาการของใจที่มันจุกจิกจุกจกเนี่ยมันมาเกิดจุกมันจะเร็วกขนาไหนมันก็มาเกิดอยู่ในใจที่เป็นคันนั่นแหละมันไม่ได้เกิดนอกคันหรอกมันก็เลยรู้อยู่ตรงนั้นแหละถ้าสติตั้งที่ใจดดดูููทททีีี่่่ใใใจจจรรรร้้ลลาากกกก็็็คคืองนนััะมมเเเยิ แล้วก็ข้อต่อไปข้อต่อไปแต่คันเนี่ยมันเป็นที่เกิดที่เฉยใจแต่เป็นที่เกิดดับแต่ตัวตนของคันมันไม่มีแล้วมันก็ไม่ได้เกิดดับแต่ไอ้ตีที่เกิดดับมันคือไอ้เด็กที่มาเกิดในคันคืออาการของใจเราจะไปดูตรงใจสบายดูตรงอาการจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิกุกจิ๊กไม่ว่าไงก็ตามดูตรงจุ๊กจิ๊กกันแหละดูตรงไหนก็คอยสังเกตสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรละที่ใจปล่อยวางคือใจมันไม่ไปเกิดที่ไหนแล้วเด็กมันไม่ได้เกิดนอกัันนนนรออกกมเเิดยยู่่ใใีช้้แลว็ อืมดูมันตรงใจนแน่ใจก็คืออะไรอะคือดูมันตรงความคิดแน่ไอ้ยุ่งิ้ยุ่งยิ้งมันไปนเกิดที่ไห น, น, น, น응 แ, ลแล้วมันก็เกิดอยู่ในใจแออแล้วแล้วพอดูยุ่ยิ่งยุ่งยุ่งทำไมอยู่ดีๆมันมันแช่ลงไปอะค่ะอยู่ดีดีดูแช่ก็แปล ว, ว่าเราเอาตัวเราที่เป็นขันหน้าเนี่ยที่เป็นอาการเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปดูไปรู้เราตัวเราเนี่ยที่เป็นขันหน้าเนี่ยที่มันปรุงแต่งได้คิดถึงตอนปรุงแต่งได้เอาไปคนไปดูไปรู้มันมันกลับด้าน แล้วปฏิบัติแบบกลับด้านคือเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปรู้อาการเหมือนดูโทรทัศน์เราเอาตัวเราเนี่ยไปรู้อาการเหมือนตัวเราดูโทรทัศน์แต่การปฏิบัติเนี่ยให้รู้ตัวเราผู้ดูโทรทัศน์สักตวะวรู้ตัวเราผู้ดูโทรทัศน์ว่ามันเราเนี่ยไปรู้อาการแล้วเราดูโทรทัศน์เน่ยไปดูอาการเนี่ยแล้วตัวเราเนี่ยผู้ดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยมันแสดงพฤติกรรมในจิตอย่างไรแสดงกิริยาการอย่างไรก็แค่สัตววรู้สัตววรู้ แต่ที่เราโดนดูดได้คือเอาเอาตัวเราเนี่ยไปดูโทรทัศน์ดูอาการทั้งหมดอะโดยดูในโทรทัศน์แต่ไม่ได้ดูตัวเราผู popcorn, ้ด <Pues> ูโทรทัศน <commun iping dormir Office> ์ต <dug gence sangre> ัวเราผู <actor> ้ดูโทรทัศน์ก็ไงเวลาโดนดูดปุ๊บอาการโดนดูดมันเป็นโทรทัศน์ไอตัวเราผู้รู้อาการโดนดูดคือตัวเราผู้นั่งอยู่หน้าโทรทัศน์วันนี้พอพมันเป็นแช่แล้วดูดแล้วก็ไปแช่อาการแช่เป็นโทรทัศน์ไอตัวเราผู้ผู้รู้อาการแช่เป็นผู้ดูโทรทัศน์กั พดูตรงรู้ตรงไอ้ปล่อยวางตัวเราเนี่ยปล่อยวางตัวเราผู้ไปดูไปรู้โทรทัดมันมีอาการยังไงมันกลัวมันวิตกกังวลมันเออใช่แล้วอุ้ยโดนดุแล้วโดนดุแล้วมันก็ปล่อยวางตัวเราเลยไปเพราะว่าไอ้ตัวเราเนี่ยทํามันลมมันอยู่ตรงไอ้ตัวเราผู้ดูโทรทัศดดูตรงไอ้ตัวเราผู้รู้ตัวเราผู้รู้ตัวเราผู้รู้เนี่ยแล้วก็มันก็จะปล่อยวางตัวเราอสักแต่วันรู้ตัวเรามันก็เลยกลายเป็นไอ้ผู้รู้ไม่ปรากฏตัวตนแต่ไอ้ตัวเรากลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไป เข้าใจไหมเนี่ยว่าไอการแจ้การที่จมได้ก็เพราะมันเอาตัวเราไปดูอาการในโททัศน์มันไม่มาปล่อยวางตัวเราผู้ดูโทรทัศน์ดังนั้นไอตัวเราผู้คิดผู้นึกผู้ตึงผู้ต่อผู้ดูโทรทัศน์แต่เป็นตัวคิดนึกตึงตองปรุงแต่งได้เนี่ยแต่ี่มันมาปล่อยวางตัวเราผู้ดูโทรทัศน์นะไอพู้ไอผู้บรู้ว่าปล่อยวางตัวเราผู้ดูโทรทัศน์เนี่ยมันไม่ปรากฏตัวตนหลักไอนั่นแหะเพราะถ้าปรากฏตัวตนมันก็เป็นไอตัวเราผู้ดูโทรทัศน์ตัวใหม่เรื่อยไปอะไรอย่างเง้ยน่ะค่ะเข้าใจยังไงเข้ยเข้าใจแล้วค่ะ กับอีกอันเนี่ค่ะพอเห็นพอเห็นตัวที่เห็นว่าวเปงแช่ค่ะแล้วทิปตอนที่เหมือนรู้แล้ปล่อยขึ้นมาพอรู้สึกเหมือนมันมีแรงแบบเหมือนมันมีแรงแรงต้านยังไงเรียกว่ามีแรงต้านมันถ้าตอนที่เห็นเห็นจิตมันยุบยุบยเนี้ ย, ยค่ะก็คือมันมันเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นแต่อันเนี้ยพอเห็นตัวที่ไปรู้ว่าว่าว่าว่ามันแช่เนี่ยมันจะไม่ได้แบบ มันจะไม่ใช่เห็นค่ะเป็ไงมันโดนดูดมันไม่มันไม่ใช่โดนหลดมันมันเหมือนกับมันยังยึดอยู่อะค่ะมันคือตอนที่เห็นติดอย่างอื่นที่ไม่ใช่แช่เนี่ยมันจะเหมือนไม่มีอาการเกาะมันแบบปแบบติดมันก็มันจะไม่มีมีอาการเกาะอะค่ะแต่ว่าตอนที่ตอนที่เห็นตัวที่ไปรู้ว่าแช่เนี่ยมันมีอาการเกาะอ่ะค่ะมันไม่ได้ ปล่อยได้ทันทีค่ะผิดตรงไหนรู้ไหมเนี่ยตรงไหนคะมก็ผิดเราจะให้มันปล่อยสิอ๋อไอรู้มันว่าปล่อยได้มันได้แต่รู้เราจะให้มันปล่อยรู้แล้วปล่อยแสดงว่ามันเอาตัวเราไปรู้อีกแล้วอ๋อค่ะค่ะอาการมันไม่ปล่อยมันก็ได้แต่เป็นอาการทรารมที่ถูกรู้แม้แต่มันปล่อยมาแล้วนะค่ะมันก็เป็นอาการของทรารมที่ถูกรู้ ว่ามันมีอาการปล่อยมาแล้วมันก็เป็นเวลาการธรรมลมที si> <_<_<__<__่ถูกรู้มันไม่ปล่อยมันถูกดูอยู่มันก็เป็นอาการทธารมลมที่ถูกรู้มันไม่ได้เกี่ยวกับไอรู้เลยแต่ถ้าเราเนี่ยจะเอาให้มันปล่อยให้ได้อันนี้แหละเราเอาตัวเราเนี่ยไปรู้แล้วยึดเลยตอนนี้ยึดด้วยค่ะเข้าใจแล้วค่ะการปฏิบัติได้จะไม่มีครูบาอาจารย์แม่นจิตจริงๆอะโอ้เล่จริงๆนะเนี่ยเนี่ยเชื่อ เชื่อลูกติดแล้วก็โดนหลอกต้องมด